เราก็ค้นเสียจนพอก่อนที่จะออกมาปฏิบัติเวลาว่างจากเรียนหนังสือปิดโรงเรียนนั้นหละเป็นเวลาคนน้นหนังสือเวลาเรียนหนังสือก็เรียนไปตามหลักวิชานั้นเสียครั้นเวลาหยุดเรียนหนังสือก็ค้นพระไตรปิฎกโนตโนตเอาไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในเวลาจะออกปฏิบัติ